สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่แปดสิบเอ็ดเรื่องความดําเกรงพระเจ้าและใจที่สงบพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบหกถึงข้อที่สามสิบสุภาษิตบทที่สิบสี่ข้อยี่บหกถึงสามสิบโปรดฟังพระเจนของพระเจ้า ความยำเกรงพระเจ้าทำให้คนอยู่อย่างอุ่นใจลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่งความยำเกรงพระเจ้าเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดจะหลีกจากบ่วงของความมรณาได้ในมวลประชาชนก็มีศักดิ์ศรีของพระราชาแต่ไร้ประชาชนเจ้านายก็ไร้ค่าบุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่บุคคลที่โมโหเร็ว ก็ยกย่องความโง่ใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่กิเลสกระทำให้กระดูกผุเพียงครับในเช้าวันนี้พระกัมภีได้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราผมจะขออนุ ญ, ญาตเริ่มต้นด้วยข้อ28ก่อนนะครับในมวลประชาชนก็มีศักดิ์ศรีของพระราชาแต่ไร้ประชาชน <c oughs> เจ้าหนายก็ไรค่ะพี่น้องครับในการจากไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านนั้นพระเจ้าอยู่หัวของเราผู้มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมณมหาภูมิพลอดุญเดชหรือที่เรียกว่า พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้นพระองค์ได้ใจของประชาชนเราทั้งหลายซึ่งเป็นพระสนิกรของพระองค์นั้นก็เป็นศักดิ์ศรีของพระองค์ทัดภาษาอังกฤษใช้คำว่า a king's greatness depends on how many people he rules a king's greatness depends on how many people he rules แปลว่าความยิ่งใหญ่ของพระราชาความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์นั้นก็อยู่ที่ว่าพระองค์ท่านนั้นได้ปกครองคนมากแค่ไหนคำว่าปกครองคนมากแค่ไหนนั้นก็มีความหมายว่าตรงเป็นที่นับถือยกย่องของคนมากแค่ไหนนั่นเองสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเมนมหาโพมิพลอุนเดช ก็คือเราเรียกสั้นๆว่าในหลวงของเรานั้นเป็นที่รักของประชาชนครับพระองค์นั้นได้ทรงปกครองพวกเรามานานถึงเจ็ดสิบปีในขง่เดียวกันครับตรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกและดีที่สุดในดวงใจของเราชาวไทยในด้วยเห็นนี้เองทําให้พระองค์นั้นได้ครองบัลลังก์ นะครับในหัวใจของเราซึ่งเราเป็นประชาชนของพระองค์เพราะฉะนั้นในพระรมทีข้อนี้ครับเป็นพระบรมภี่ที่เป็นจริงเราเห็นศัตรธรรมในมพรรมทีข้อนี้ก็คือที่ในหลวงของเรานั่นเองครับไร้ประชาชนเจ้านายก็ไร้ค่าอันนี้เป็นจริงที่สุดครับถ้าใครก็ตามที่ไม่มีประชาชนอยู่ข้างเขา เขาก็เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยพี่น้องครับในหลวงของเราผู้เสด็จสวรรคตไปนั้นพระองค์นั้นมีประชาชนก็คือพวกเรานั้นทุกทุกคนครับที่เป็นพระศพนิกรของพระองค์ได้ถวายความเคารพในพระองค์ทำให้เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จากไปนะครับแต่ผู้ที่ยังอยู่ก็คือ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเราทั้งหลายในด้วยเหตุนี้ครับขอกลับมาที่ข้อยี่สิบหกความยำเกรงพระเจ้านั้นทำให้คนอยู่อย่างอุ่นใจพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับการแต่งตั้งพระราชาพระราชาอาจจะไปมีคนใหม่จะมา ยังไงก็ตามครับแต่พระเจ้าของเรานั้นทรงผชนอยู่เป็นนิดดังนั้นเองความยำเกรงพระเจ้าจะต้องเกิดในหัวใจของเราทำให้เราสามารถที่จะอยู่อย่างอุ่นใจและอยู่ด้วยความมั่นใจอยู่ด้วยความรู้สึกปลอดภัยต่อชีวิตและคนในครอบครัวของเรา ภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า reverence for the Lord gives confidence and security to a man and his family ความยำเกรงพระเจ้าหรือความเกรงกลัวพระเจ้าทำให้มนุษย์นั้นหรือทำให้คนนั้นได้อาศัยด้วยความมั่นอกมั่นใจด้วยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ด้วยความรู้สึกอุ่นใจภาษาไทยแปลได้ดีมากเห็นภาพชัดมีความรู้สึกอบอุ่นครับอยู่ด้วยความอุ่นใจและลูกหลานจะมีที่พึ่งพี่น้องครับความยำเกรงพระเจ้าทำให้เรามี security ให้กับเราและครอบครัวของเราลูกหลานของเรานั้นจะมีที่พึ่งเราสามารถส่งต่อความยำเกรงพระเจ้าความเชื่อความศรัทธาไปถึงลูกถึงหลาน และความวังใจพระเจ้านั่นเองทําให้ลูกหลานของเราก็มีที่พึ่งก็คือไม่ใช่เราแล้วครับแต่เป็นพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นเรื่องสําคัญจะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความชื่นชมยินดีเปรียบเสมือนกับเป็นน้ํำพุที่ไหลออกมานําความชื่นฉ่ําเย็นสบายความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงชีวิตและสามารถทําให้เราหลีกเลี่ยงจากทางแห่งความตายและบ่วงแร้วของความมรณาได้ ที่น้องครับชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้านั้นทําให้เราได้รับความปลอดภัยและปกป้องชีวิตเราจากความตายความหายนะลูกหลานของเราจะได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่ที่รักพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าสิ่งที่น่าสังเกตในข้อนี้27ความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นน้ำํำพุแห่งชีวิตพระษาอังกฤษเช็คว่า the fountain of life ทําให้เราคิดถึงคําสอนของพระเยซูว่าโปร่งทรงเป็นน้ำํำพุแห่งชีวิต พี่น้องครับความยำเกรงพระเจ้าทำให้เรารู้จักกับพระเยซูซึ่งเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตทำให้เรามีชีวิตนิรันต์น้ผู้แห่งชีวิตนั้นคือพระเยซูสามารถทำให้เราหนีหรือหลีกจากบ่วงของความตายความวรณาได้ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามที่ยำเกรงพระเจ้าก็จะต้องรับเอาพระเยซูซึ่งเป็นน้ำผู้แห่งชีวิต เปียสุบอกว่าเราเป็นน้ําผู้แผงชีวิตผู้ใดที่ดื่มเราแล้วก็จะได้ชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับให้เรายำเกรงพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เมื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านั้นใครก็ตามที่มีพระองค์อยู่ในชีวิตดื่มดื่มพระองค์เข้าไปคนคนนั้นก็จะมีชีวิตนิรันดร์ข้อที่สิบเก้าครับ บุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากบุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่บุคคลที่โมโหเร็วก็ยกย่องความโง่ภาษาอังกฤษบอกว่าถ้าคุณอยู่ในความสงบคุณเป็นคนฉลาดแต่ถ้าคุณเป็นคนที่โกรธง่ายเป็นคนที่ของขึ้นเร็วนะครับ คุณก็กําลังแสดงความโง่ออกมาพี่น้องครับการที่เราจะเป็นคนที่ไว s หรือฉลาดการที่เราจะเป็นคนที่มีสติปัญญานะครับเราจะต้องนิ่งการโกรธช้าหรือช้าในการโกรธในสถานการณ์ที่ล่อแหลมในสถานการณ์ที่ถูกทดลองก็จะแสดงถึงปัญญาและการรู้จักควบคุมตัวเองซึ่งเป็นผลของพระวิ ญ, ญาณโริสุดครับ การควบคุมตนเองหรือเซลฟคอนโทรนั้นเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นคนที่โกรธเร็วนะครับเนื่องจากเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้แสดงถึงความโง่เขาทางด้านอารมณ์ของเขา EQ ของเขาต่ำครับการควบคุมอารมณ์ของตนเองนั้นจะแสดงความสามารถทาง EQ ทางสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางปัญญาได้อารมณ์ของคนเรามีผลกระทบต่อร่างกายของเรา ที่เรียกว่าไซโคโซมิติกใจที่สงบนั้นคือใจที่มีสุขภาพดีครับมีการบริหารจัดการจิตใจและสิ่งที่อยู่ในใจของเขาที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบเขารู้จักจัดการได้อย่างดีครับก็จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีมีความสุขส่งผลต่อสุขภาพองค์รวมในชีวิตของเขาพี่น้องครับหากเราอยากจะมีสุขภาพองค์รวมที่ดีเราจะต้องมีใจที่สงบครับ เราต้องรู้จักจัด ก, การใจของเราจัด ก, การสิ่งที่มาเข้ามากระทบจิตใจของเราในขณะที่คนมีความอิจฉาตาร้อนคนโลภคนมักโกรธจะส่งผลไม่ดีกับร่างกายของตนคือความเจ็บป่วยความเครียดซึ่งนามาถึงโลกลายของชีวิตใจที่สงบนะครับก็ส่งเสริมสุขภาพที่ดีใจที่เต็มด้วยกิเลสตัณหาความริษยาชีวิตก็ยุ่งเหยิงอ่อนแอเหมือนกับกระดูกผุ ความว่ากระดูกผุนั้นภาษาโบราณครับภาษ า, าภาษาปัจจุบันเรียกว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งทางอารมณ์นะครับนั่นแหละครับคือกระดูกผุความตึงเครียดทําให้ชีวิตสั้นในความสงบทําให้ชีวิตยืนยาวการเชื่อวางใจในพระเจ้านั้นจะทําให้ลดความตึงเครียดในชีวิตของเราลงและชีวิตของเขาก็จะดําเนินอยู่กับพระเจ้าในโลกนี้อย่างยาวนานมากกว่าปกติ คนที่เป็นคริสเตียนที่ไว้วางใจในพระเจ้าคนที่รู้จักที่จะทําให้ความตึงเครียดในชีวิตของเราลดลงรักษาใจบริหารใจเขาจะมีชีวิตยืนยาวมากกว่ามาตรฐานอายุเฉลี่ยของคนอื่นอย่างแน่นอนใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่การอิจฉาการร้อนการมีกิเลสเหมือนกับกระดูกผุหรือเหมือนกับเป็นมะเร็งบางคน นะครับพี่น้องครับเป็นมะเร็งทั้งใจและอารมณ์จนใจของเขาตายด้านไปหมดแล้วนี่ครับน่าสงสารมากขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าให้เราเป็นอย่างนั้นเลยชีวิตเลือกได้นะครับชีวิตเลือกได้ที่เราจะอยู่ในทางที่ถูกต้องอาเมน